ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาท่านพยูฆาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ใกล้มาแล้วแต่ว่าก่อนที่จะเจริญพระกรรมฐานก็ยัขอนําเข้าความเกี่ยวกับความตายครั้งที่ห้า ของผมมาเล่าสู่ท่านฟังความจริงเรื่องความตายมันเป็นของธรรมดาแต่แต่ว่าคนเรามีความรู้สึกสำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกลัวตาย <c oughs> แต่ว่าการกลัวตายนี่ก็เป็นของปกติขอ ง, ขอ ง, ของคนธรรมดาที่มีกิเลสเหมือนกัน ว่ายัางไงยังไงก็ตามถ้ายังมีกิเลสสําคัญอยู่ความตัวกลัวตายมันก็ปรากฏกิเลสที่จะเป็นปัใจจัยให้เรากลัวตายก็คือหนึ่งโลภะความโลภมีความทะเยอทะยานในทรัพย์มีความทะเยอ ท, ยนนทะ ย, อทยานในการทันลงตัวเลอะตัวคิดว่าความชั่วเป็นความดี อาการอย่างนี้เป็นอาการของกิเลสหนักจัดว่าเป็นรากเงาของกิเลสที่เป็น พ, อพ่อคูนจิตจึงทำให้จิตเกิดวิชาความชั่ววิชาดีผมขอแปลว่าความชั่วในเมื่ อ, อวิชาเขาครอบงำจิตความชั่วมันก็ปรากฏสอง อำนาจของความรักในรูปเสียงกลิ่นเราจะสัมผัสเป็นรากเงาของความชั่วเหมือนกันแล้วก็สามความโกรธความพิยบาทสี่ความโง่เงาเ ต, าต่าตุนที่อยู่ในเขตของพระตนตรัยยังไม่รู้ตัวว่าตัวสภาพของตัวเป็นยังไง เกิดมาแล้วอะไรทําให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์ที่มีดูได้เอาอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยไม่รู้คนที่มัวเมาด้วยกิเลสประเภทนี้เป็นคนที่กลัวต่อความตายนะฮะว่าจะไปย้อนถามผมว่าพวกกลัวความตายไหม ก็ความจริงไอ้ความตายนี่ใครๆก็กลัวจะบอกว่าผมเป็นผู้ไม่กลัวความตายก็ไม่ได้อันนี้เพราะรอะไรเพว่าการตายมันเป็นการทรมานอย่างหนึ่งก่อนตายใครๆก็ไม่ต้องการแต่ถ้าว่าถ้ามันถึงเข้าจริงๆแล้วเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ก็ต้องทำใจอดกลั้นในด้านของขันติเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากการผ่านการเกือบตายครั้งที่สี่มาแล้วในความจริงครั้งที่ห้านี่มันก็เกือบตายเหมือนกันไม่ใช่ตายเลยแต่ว่าผมจะบอกให้ น, นทราบว่าร่างกายของผมนี่มันไม่ดีมันานเอากันตั้งแต่เกิดมาก็แล้วกันนับตั้งแต่เกิดมานี่ผมมารู้สึกถึกตัว ความจริงรู้สึกตัวจริงๆว่าร่างกายมันไม่ดีก็ต่อเมื่ออายุยี่สิบปีเศษในขณะที่เก้าเข้ามาสู่ในเขตของศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แล้วจึงมีความรู้สึกตัวว่าร่างกายมันไม่ดีทั้งทั้งใน ก, การตายควาระแรก ไปผ่านนรกมาแล้วแต่ยไม่เดิลงนรกเขาเรียกว่าผ่าน <c oughs> ผ่านหรือว่าเกือบผ่านก็ควรยังพูดกันว่าเกือบผ่านนรกหลังจากฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสท่องเที่ยวนรกได้ตามอธัธยาศัยอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมเป็นผู้ได้ชาญ แต่ต้องถือว่าผมเป็นผู้ได้ผ่อนจากท่านคุณลุงผู้ใหญ่เป็นสาคัญเพราะว่าท่านได้แนะนำว่าถ้าพยายามภาวนาว่าพุทโธไว้เมื่อไรเมื่อจิตใจเข้าถึงระดับจะมาที่ตรงนี้ได้ทันทีและต่อมาท่านคุณลุงพู้นี้ท่านกับคุณนา มาพบตรงนั้นชี้แจงเหตุที่ผลชี้จุดแห่งการสวยทุกขเวทนาของสัตว์ที่ทําการชั่วเราได้ว่าทั้งๆดีเห็นแล้วได้พบแล้วเองก็ดีแต่ว่าไม่ได้ลงไปเอง้การที่เห็นคนอื่นเขาทุกเราเองจะไปรู้สึกทุกเต็มอัตราตามที่เขาได้รับความทุกขมันเป็นไปไม่ได้ ก็เพียงจะมีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ในขณะนั้นหลังหรือว่าในเวลานั้นก็ดีหลังจากนั้นมันก็ดีก็ควรจะเป็นคนดีได้แล้วแต่วความจริงความดีมันก็ยังไม่ปรากฏในจิตอารมณ์ความชั่วมันยังฝังจิตอยู่เต็มตลอดเวลาอื่นหนึ่งอารมณ์ความรักในเพศ สองอารมณ์ความอยากรวยในสมัยที่เป็นคารวะสามอารมณ์ความโกรธความเบียาบาตซีอารมณ์ความหลงอันดับอเนต ภ, ภาพร่างกายและก็มีความสุขใจอยู่วเดียวๆในขณะใดที่จิตเข้าไปอยู่ในห่วงของพระพุทธโงเมื่อะบวนาสร้างจิตเล็กน้อยเพะเรื่องจับจิต จิตก็เริ่มเข้าเป็นจุดผมกล่าวว่าจุดผมไม่พูดว่าฌานเอ้ยงถึงจุดนั้นแล้วก็เห็นภาพพระที่มีความสวยสดงดงามสร้างธรรมปีติให้เกิดขณะใดที่จิตอยู่ในอารมณ์นี้เป็นจิตที่มีความสุขมากจริงๆทิ้งอารมณ์นิวรสยทั้งหมดทิ้งอารมณ์ของ รากเง้าข้ อ, อกุศลไปหมดแต่ถ้าปลดเจลมนี้มาแล้วจิตใจมันก็ยังมีความรลื่นเริอ ง, เรองอยู่ในความชั่วเป็นปกตินี่สำหรับความชั่วประเภทนี้ทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันร่วมกันบางท่านก็อยู่นานบางท่านก็อยู่น้อย เวลานี้ท่านหลายยังคบความชั่วอะไรไว้บ้างไอที่ผมเรียกว่าผมชั่วมาแล้วมันไม่ดีนะหนึ่งความรักในเพศคือพอใจและสนใจในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศใจเกลือรัวปฏิกามอารมณ์สองความโลภในทรัพย์สิน มีการเห็นแก่ตัวเป็นสำคัญปรารถนา ย, ยากจะสะสมทรัพสมบัติทั้งหลายนั้นไว้เพื่อเป็นเราเป็นของเราซึ่งตรงกันข้ามกับคติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าท่านทั้งหลายแืเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายของตัว จงยายึดถือร่างกายของบุคคนอื่นและก็จงยายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกเสียงนี้ฟังกันมาตลอดทุกวันในช่วงแห่งการสอนมหาสติปัฏฐานอารมณ์ของพวกท่านลดอะไรได้บ้าง ถ้ายังปลดไม่ได้ก็แสดงว่ายังชั่วเต็มอัตราเห็นว่าไม่เหมาะสมกับภากาสาวพัดแต่บางท่านที่ดีแสนดีก็มีในเขตของเราตัวอย่างจะเห็นว่าบรรดาพระทัาหลายที่มีความขยันหมั่นเพียร รับฟังการศึกษาช่ยคำในการปฏิบัติกระทากิจการงานทุกอย่างตามความสามารถที่จะพึงทำได้อันนี้มีมากพระแก่พระเฒ่าก็ทำกันพระใหม่ๆที่เป็นช่างบวชเข้ามาใหม่ๆก็ไม่ามาได้เว้นความดีแต่ว่ามีบางคนจะมีบ้างไหมที่พยายามเสียดสี คนอื่นเขาให้เขามีความเดือดร้อนใจท่านนองตนว่าเป็นคนดีทั้งๆ ท, ท, ที่มองแล้วกิเลสทุกอย่างยังไม่ได้ลดยังปรากฏอกุเลกิเลสที่เป็นรากงาลของอกุศลเต็มอัตราสิทแต่ว่าตนเองมีความสํานึกว่าเป็นคนดีนี่เป็นปัจจัยของเอเวจีมหานรก ยังพอมีบ้างไหมเก็บความรู้สึกไว้ได้บ้างได้ยังได้ความจริงถ้าสัญดาของคนชั่วจริงๆย่อมไม่เห็นผลของความชั่วย่อมมีความท่านลองตัวว่าเป็นผู้เลิศอยู่เสมอนี่คนที่เขาดีเนี่ยเขาไม่เนรมองเห็นตัวชั่วเอ้เขามาขอโทษเขาไม่เนร ม, มองเห็นตัวเขาดี ก็มองหาความชั่วมองหาทางตัดราคะหาทางตัดโลพะหาทางตัดโทสะหาทางตัดโมหะได้ ว, ว่าบุคคลนั้นหลายใดก็ตาท่านนั้นหลายผู้ใดก็ตามยังมีปากเสียยังมีจิตเสียยังมีกายเสีย จะมีการเสียดสีพูดกระทบกระทั่งบุคคลอื่นให้รับความเร่าร้อนใจมีการนินทาว่าร้ายสิ่งกันละกันคนประเภทที่ทำนั่นแหละเป็นคนที่เลวกว่าคนที่ถูกนินทามากที่สุดเพราะว่ามีความเลวหลังไหลมาจากใจว่าสัวจามสู่กายในความจริงสันดานประเภทนี้ ผมว่าไม่ควรจะมีอยู่ในเขตของเราถ้ายังมีอยู่ก็ถือว่าจอมเลวในยอดของบุคคลผู้มีความเลวที่ว่าเลวเพราะอะไรพราะว่าเป็นปัจจัยของอบายภูมิรเรียกว่ากูรทูสโกรหรือว่าอุปสมะชีวิกา กุลธูสกโกเป็นผู้ประจบแตกูลหาคราวาตเป็นที่พึ่งทำลายแตกููเขาบีสุสงในพระพุทธศาสนาอุปสมะชีวิกาอาศัยพระศาสนาเป็นเครื่องเลี้ยงตัวอย่างนี้จงอย่ามีในขอบเขตของบรรดาคณะของเราทั้งหมด เราในฐานะที่บวชเข้ามาแล้วประกาศตนเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่านิพานะสะสัิกิริยายะเอตังกาสาวังขหเหตวาเนงแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสา ว, วาพัฒเพื่อทำให้แจ้งสิ่งผนิพานเราแนะนำให้คนอื่นเขาทำดีแต่เราจงอย่าทำชั่ว อย่าเห็นเก่ตัวจงเกินไปอย่าเมาในลาบอย่าเมาในยศอย่าเมาในรื่นเริงอย่าเมาในสุขที่เป็นการมาสุขเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยความทุกข์มันทุกข์ในชาตินี้นะไม่ใชชาติหน้าชาตินี้ถ้าใครเขาพูดหรือก็นแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา สิ่งไปโดนอาแผลสำคัญของเราเข้าเราก็เกิดความเร่าร้อนใจแต่สำหรับคนดีไม่มีใครเขาเสะเทือนอานิคบันดาท่านหลายจงระมัดระวังกินเลสสำคัญพิลโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกร ธ, โ, กรธโมหะความหลง เราฟังกันมานานศึกษากันมานานควรจะรู้พระเก่าควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่จงอย่าใช้วาจาเสียดสีก็ต่อกระทั่งบุคคลผู้มาใหม่ได้อยู่เก่าด้วยกันถ้าว่าการอย่างนั้นไม่เกิดขึ้นจงทราบว่าเราเลวเกินไปสําหรับผ้ากาสาวัตต่อไปก็จะคุยให้บรรดาท่านทั้งหลายฟัง ร่างกายผมไม่ดีตั้งแต่ก่อนหน้าตายครั้งที่สี่มันมีความทุกขเวทนาสาหัสท้องมันก็เสียดมันก็อืดมีอาการอาจเจียนเป็นปกติเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลานับแรมปีแต่ถืว่าหลังจากการตายครั้งที่สี่หรือการเกือบตายแล้วผมก็เป็นผู้หนักไปในด้านการสร้างวัตถุ ร่วมกันนั้นก็หนักไปในด้านก็ในด้านการเขาอบรมธรรมะนี่การอบรมธรรมมีความสำคัญว่าเราจงอย่าอบรมแต่เขาเท่านั้นจงอบรมตัวของเราด้วยจงอย่าช่วยแต่คนอื่นยังช่วยตัวของตัวเองวันทั้งวันคืนทั้งคืนผมไม่เคยมีความสุขทางกาย อย่าไปทางไหนก็เต็มบริการระมัดระวังเพราะร่างกายมันเครียดมันเสียดไปหมดบางคนเขาบางทีเรามีความไม่สบายแต่แขกผู้มาเขาไม่มีความรู้สึกบางครั้งป่วยไอเกือบจะตายทั้งท่านี้พูดมาคำทรงคำของาย แต่คนที่เห็นกนตัวทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีความรู้สึกเขาต้องการอยากจะใช้อะไรก็จะใช้ให้ได้ตามใจให้สงความปรารถนาถ้าไม่ทำให้เขาตามใจเขาเขาก็โกรธตอนนั้นผมยังตามใจคนชัว่วที่ตามใจเพราะอะไรเพราะคนลองดูว่าเขาจะดีบ้างไหม แต่ก็เปล่าผลที่ยะพึงได้นั่นก็คือความชั่วก็คงชั่วไปตามปกติไม่ดีฉะนั้นเวลานี้จึงเลิกคบคนชั่วเราครบเข้าเราก็มีความเดือดร้อนแลวเราครบเข้าเราก็ชั่วไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเหมือนกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเน่า ถึงแม้ว่าใบตอง น, นั้นมันจะไม่เนา่าถ้ากลิ่นสุนัขเนา่ามันก็ติดใบตองมันก็เหม็นเหมือนกันนันแหลจิตใจของบรรดาท่านนังหลายถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รีบถอนตัวเสียถ้าไม่รีบถอนตัวผล ข, ของความชั่วมันจะปรากฏ ต, ต่อป ร, ประชาชนในอนาคตไม่ไกลนัก เพราะว่าอะไรเพราะว่าดีไม่ดีใครๆก็รู้นีสายใจคออยความเลวของเราเขาจะเกลียดทนำหน้าเขาคิดว่าเราเป็นคนดีตอนนี้เราก็จะมีแต่ความเดือดร้อนนี่ในระหว่างนั้นการทุกข์ทรมานร่างกายมีอย่างหนักงานก่อสร้างก็ทําหนักผมได้สตังมาแต่ระบาดแต่สตงังไม่ได้กินไม่ได้ใช้ บางคราวมีคนก็ให้สตางค์มาสองพันสามพันบาทพอให้มาก็ใช้เดี๋ยวนั้นเจ้าที่เจ้านี้เขามาถวงตัวเองก็แสนจะลำบากบางวันต้องกินข้าวกับน้ำปลาผสมกับกงแห้งแต่ผมก็มีความพอใจเพราะร่างกายนี้คุณเปลินอย่างไรก็ตามมันก็ป่วย ที่ผมทาอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะถือว่าการทําแบบนั้นเป็นกําไรส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้สนองคุณขององค์สมเด็จพระบรมโลเกนนั้นดังนั้นกันที่ว่าทรัพย์สินต่างๆจึงไม่ปรากฏว่าจมีกับเขาถึงกับบุคคลหลายคนที่เป็นโรคศิษฐุปหาเข้ามาบ่นเข้าม า, ว, าว่าเอาให้กินให้ใช้แต่ไปสร้างซะจนหมด <c oughs> เราะว่าก็ถูกของเขาไม่น่าจะเถียงผมก็ไม่เถียงยัไม่เถียงเขาได้ยังไงเขาพูดจริงเวลาเ็าจะให้เขาบอกวันนี้ไม่ได้ให้ไปก่อสร้างให้ไปเพื่อใช้สอยเพราก็ขาทราบว่าเวลาป่ว ย, ยไข้มาสบายเมื่อไรแล้วเขาแย่เหมือนนั้นเพราะไม่มีเงินจะรักษาตัวอาหารการบริโภคก็ลาบาก แต่ถือว่าเขาว่ายังไงก็ช่างในเมื่อเขาให้ผมมาแล้วนี่ก็เป็นสิทธิของผมผมก็ถือว่าเวลาตายผมแบกไปไม่ได้นี่ผมก็จะต้องแบกเอาความดีไปนั่นก็คือทำเงินของบรรดาท่านอย่าของเงินทั้งหลายให้ไปบุญให้เป็นบุญเสียมันแบกเอาไปได้น่นนอกจากนั้นท่านเจ่าของเงินก็ปล่อยได้บุญในส่วนวิหารทานไปอีกด้วย หรือว่าช่วยให้มีเพื่อนเดินทางไปด้วยกันหลายๆคนมตอนนี้แหละท่านังหลายเวลาการผ่านมาอาการทางกายก็ไม่ดีมาโซมลงประทวนอาหารที่อย่าเพึ่งกินเข้าไปเพื่อก็ทบเข้าไปหน่อยเดียวไม่ชามันก็อาเจียน มาอย่างดีที่สุดมันก็ยังลดได้สักสองสามวันแล้วมก็ต้องท่าใหม่อาการอื่นอาการเสรียดมันมีเป็นปกติใครจะให้ยาประเภทใดมาก็าตามทีมันไม่ลดลงไปเลยอาการไข้การกินเข้าไปน้อยบางทีก็อาเจียนออกมามากอาหารแต่ได้อย่างต้องเต็มไปเการเลือกเหมือนกับคนเลือกอาหาร แต่ไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นภัยกับร่างกายร่างกายสุข้อมนุ่มไปทุกวันคณะศิทธิยาทศสิทธุทุกท่านก็มีความหงใหญ่มาระยะหลังก็ไล่จะถึงจุดแห่งความตายตอนนี้กำลังสร้างรั้วบริเวณวัดด้านฝั่นงนี้ แล้วก็กําลังทำป่าป่าที่กําลังใช้ในปัจจุบันฝั่งนี้ในช่วงนี้แหละท่านทัง้งหลายอาการอาเจียนมันมีมากอยู่ๆจะกินน้ําเข้าไปสักหน่อยเดี๋ยวมันก็อาเจียนจะกินข้าวเข้าไปสักหน่อยมันก็อาเจียนแต่ชีวิตมันน่าจะตายซะแล้วแต่มันยังไม่ตายก็รกรรมมันยังเลี้ยงอยู่ กรรมที่เลี้ยงนี้ไม่ใช่กรรมดีมันเป็นกรรมชัว่วไอกรรมที่เป็นอ e กุศลไม่เข้ามาทรมานกายไอ้การป่วยไขยม้มาสบายมาจากปานาธิบาตในะอดีตเป็นสาคัญเพราะว่าในชาตินี้นั้นก็มีชาติเก่าวก็มีมันให้ผลเป็นการทรมานต่อมาระยะตอนท้ายปลายมือ ตอนนี้เอาหนักอาการไอเจียนว่าหนักจริงๆก็อยู่9ก้าวันเรียกว่าอาเจียนกันแบบเป็นล่ำเป็นสันพอฉันอาหารเข้าไปแล้วสักครู่หนึ่งก็เจียนออกมาหมดจิตใจเต็มไปด้วยความวิวสรริ์ไม่อยากเจีกระดกกระดิกร่างกาย แต่ว่างานที่ช่างกําลังทําอยู่มันยังไม่จะไม่เสร็จก็กิจการสอสร้างปีนั้นก็คือสร้างอาคารชําระนี่สงเนี่ยก็สร้างรั้วบริเวณวัดปั่งนี้สร้างป่าป่ากําลังทําอยู่ในขณะนั้นกินข้าวเดี๋ยวมันก็อิ่มเร่างกายไม่มีแรงแต่จะว่าพอจีนผ่านไป อาศัยที่มีกำลังใจมาก่อนว่ามันจะตายก็ฉั่งมันร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ายัางสามารถจะเคลื่อนไหวได้จะพยายามทําส่วนสาคัญในพระพุทธศาสนาคือวิาหารฐานให้ปรากฏจึงกว่าร่างกายมันจะเดินไม่ไหวหรือร่างกายมันจะพูดไม่ไหวแต่กายก่อสร้างนั้นทั้งหมดเงินไม่มี ก็เป็นหนี้เป็นสิ่งก็อยู่ประมาณได้สองแสนเศษยิ่งอะไรก็ดีอาการาเจียนอย่างนี้มันจะมีขึ้นเมื่อมันหายผมก็รวบโรวงกำลังใจเดินไปด้วยการทั้งจกทั้งเสียดแต่ดาวหัวหน้าเราสักเกตกันยาก ใครมาก็แสดงการยิ้มแยม้มเจีมใสเป็นปกติแล้วก็ตรวจงานไปดูที่นอนไปดูที่นี่เรื่องการไปทั้งหมดเป็นเต็มเพระาะเดรัานฝืนต้องอาศัยกําลังใจเจือจุนเป็นสําคัญนี่ขึ้นชีวิร่างกายเต็มไปดู ด, ดูทุกขเวทนาอย่างสาหัสที่องสมเด็จพระสุนทรสวัสดิสุภากล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ เชราพีทุขาความแก่เป็นทุกข์ว่าตอนนี้ไม่เกิดมาวันหนึ่งสองวันก็จะไม่แก่ไปวันสองวันชีวิตที่มันเคลื่อนไปก็ชื่อว่า ก, ก้าวเข้าไปโซ่ความแก่ทีนี้มาความป่วยไข้มาสบายเบียดเวียนมันก็ทุกขนะ์หนักตอนนี้ก็นำมาคิดว่าเราคงจะเอาชีวิตไม่รอด แต่การไม่รอยของร่างกายไม่มีความหมายต้องการเอาใจรอดอย่างเดียวเนื่องจึงต้องใช้อธิวาธนะขันติคือใช้กำลังใจสูงสดุดควบคุมกำลังกายใครเข้ามาพูดมาคุยก็ทำสมนุนว่าเป็นคนที่มีร่างกายดี มีอาการยินแยมแจ่มใสอดกลั้นใจกะไว้มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่างานใดที่เป็นงานเพื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดางานนั้นทำทั้งวัตถุและนามธรรมเตอร์ายธรรมกระก็กำหนดจิตคิดว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะพังเมื่อไรก็เชิญการอบรมธรรมะก็ทำด้านวัตถุก็สร้าง เป็นนวัธรรมให้ถึงที่สุดถึงความสามารถที่จะพึงทําได้แต่ว่าท่านทันไล่วันนี้อย่าเพิ่งตายกันเลยนะเป็นแต่เพียงให้ทราบว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ทุกข์จากความเกิดทุกข์จากความแก่ทุกข์จากโรคภัยเบียดเบียนทุกข์จากการกระทกระทั่งวาถ้าอันหนักที่สอดทรกเข้ามา เพราะนั้นว่าจําไหมว่าร่างกายของเราเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์มันหาสุขจริงๆไม่ได้เมื่อมองดูเวลาก็ปรากฏว่าเวลามันหมดแล้วสําหรับการเเล่าเข้าศูนเรื่องถึงความตายขั้งที่หาก็ข อ, อยุติวาตะเกียงเท่านี้